นหน้าสามสิบสองสวดมนต์บทพิเศษหน้าสามสิบสองเรียกว่าปฐมมภาสิทธภาสิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าจตดรูครั้งแรกแพระองค์ก็ตรัสอันนี้คืออนเนกชาที่สังสารังกันทาวิตสังอ น, นิพิสัง ขาการังขเวสันโตทุกขาจาติปุนณะปุณังข้าการกติโตสีปุณเกี่งนกหาสิสพะเตภะทุกขภะข้ากูตังวิสังกตังวิสังขารกตังจิตตังตนานังขยามัจกาขานิจจจัติสังสารังสันตาวิตสังนิพิสัง เมื่อเรายังไม่พบญาณได้เล่นท่องเที่ยวภายในสงสารเป็นอนเนกชาติอนเนกชาติอนเนกชาติอเนกแปลว่าไม่ใช่หนึง่งเอกะนะะับเป่นหนึง่งอนเนกะไม่ใช่หนึ่งอเนกชาติอนเนกะชา ต, นนชาติสังสารัง เมื่อเรายังไม่พบญาณได้เล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอนเนกชาติทีนี้เราจะเข้าใจกันไปว่าได้เล่นท่องเที่ยวไปเกิดชาตินี้ชาตินั้นชาติโน้นมันไม่ใช่ชาติอย่างนั้นชาติคือมีความรู้สึกขึ้นมาครั้งหนึ่งและมีความรู้สึกที่ ประกอบด้วยอวิชชาความรู้สึกทางตาโอ้จมูกลิ้นกายใจความรู้สึกที่ประกอบด้วยอวิชชาแนี่มันก็มีความรู้สึกต่างตามั่งทางใจมั่งทางหูมั่งทางจมูกมั่งทางลิ้นมั่งเป็นความรู้สึกที่เข้าไปยึดมัน่นถือมัน พอยึดมั่นถือมั่นก็เกิดอุปาทานจากตัณหาเกิดความอยากแล้วเกิดอุปาทานความยึดมั่นเถือมั่นแล้วก็เอาไปคิดคิดแล้วคลอดออกมาเป็นชาติเป็นชาติแล้ก็เป็นทุกข์ชาติหนึ่งแล้วแล้ว เ, เดี๋ยวก็ชาติหนึ่งเดี๋ยวก็ชาติหนึ่งเดี๋ยวก็ชาติหนึ่ง อนเนกชาติสังสารังสันตาวิตสังอนิพิสังข า, าการังคเวสันโตทุกขาชาติปุณณะปูนังเมื่อเรายังไม่พบญาณญาณคือตัวรู้ญาณคือสติปัญญาเมื่อเกิดสติปัญญาขึ้นมาจาัดนั้นก็ดับถ้าเกิดโง่ขึ้นมาจาัดนั้นก็เป็นพบ เอาไปหมุนแต่ก็เป็นชาติแล้วก็เป็นทุกข์นี่ทางตาก็ดีเกิดทางหูก็ดีทางจมูกร่างกายใจก็ดีชาติหนึ่งชาติหนึ่งชาติหนึ่งเ <L un> มื่อเรายังไม่พบญาณ น, นี่คือตัวรู้ตัวรู้ที่สูงสุดเมื่อเรายังไม่พบญาณในร่อนต้องเที่ยวไปในสงสาร เป็นอเนกชาติก็คือไม่ใช่หนึ่งไม่รู้แต่กี่ชาติกี่ร้อยชาติกี่พันชาติกี่หมื่นชาติกี่แสนชาตินีมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเกิดทีหนึ่งยึดมั่นถือมั่นทีหนึ่งเกิดทีหนึ่งทุกทีหนึ่งยึดมั่นถือมั่นทีหนึ่งเกิดทีหนึ่งทุกทีหนึ่งจนนับไม่ท้วนนับชาติไม่ท้วนจึงชื่อว่าอเนกชาติ คือมันไม่ใช่หนึ่งชาตินับไม่ท้วนไม่รู้เท่าไรทีนี้พอประโยคที่สองก็ว่าก็าหาการังกเวสันโตทุกขจ า, าติพุนับปุนหังจแหวงหาอยู่ซึ่งนายสร้างปลูกเรือนคือตัณหาพูดสร้างพบอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็พบอวิชชาคือจิต ที่ประกอบด้วยความโง่ตัณหามันอยากอาวิจาตัณหาอุปาทานอยากแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นพอยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เอาไปทําเป็นวงวงวงวงวงว ง, วงคือมันพบแล้วพบอีกพบแล้วพบอีกพบแล้วพบอีกมันเกิดเป็นพบ อกเกิดเป็นภพแล้วเป็นชาติหนึ่งแล้วก็ทุกทีหนึ่งชาติหนึ่งทุกทีหนึ่งนี่คือปฏิจจสมุปบาทมันหลายหลายเรื่องที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยแสวงหายอยู่ทิ่นงนายจ้งปลูกเรือนคือตั้หาผู้สร้างภพก่อสร้างภพแล้วก็ชาติเพระก็เท่ากับมันเอาไปหมนุน มันข้าไปควักตัวเหมือนคนที่กําลังตั้งคันพอตั้งคันทีหนึ่งก็คลอทีหนึ่งตั้งคันทีหนึ่งก็คลอดทีหนึ่งการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ําไปนี่ข้ า, ากรากาติดโธสิปุณะเกหังนาคาหาสินี่แน่นายช่างปลูกเรือ น, นพระองค์รู้แล้วตอนนี้ นี่แน่นายจ้างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทําเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปเรือนในที่นี่หมายก็ว่าปลูกแล้วก็ลือปลูกแล้วก็ลือปลูกแล้วก็ลืออยู่อย่างนั้นตัณหาพอตัณหาความยึดมั่นพอตัณหาคือตัวอยากพอตัณหาอุปาทานตัวยึดมั่นถือมั่นมารักลูกทันทีตัณหาอุปาทาน อปปาทานก็กําลังตั้งการก็โตขึ้นโตขึ้ น, โ ต, นโตขึ้นอุปาทานนั่นคือปบพอได้เวลาก็คลอดออกมาญาติญาติก็จรามารณะโสกกปริเทวัตทุกก็ทุกทุกครั้ง น, นี่แน่นายช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทําเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไป นี่ญาณของพระองค์สัพาเตพาสุกาพาสุกาภคาขาหากูตังวิสังกะตังโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้ววิสังขาระกตังจิตตังตัณหานังขยมัจจคาจิตของเราถึงแล้วถึงถึงแล้วถึงสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป นี่คือตัวปัญญามันได้ถึงแล้วถึงความทิ้นไปแห่งตัณหาคือนิพพานนี่นี่คือครั้งแรกที่พระองค์ตรัสปาสิทธิียว่าพุทธปาสิทธิ์เอปฐมปฐมพุทธภาสิทอนนี้มีย่อๆกล้าใจยากแต่ถ้าเราก้าวใจแล้วมันก็ไม่ยาก ถ้าเราปฏิบัติแล้วมันก็ไม่ยากตัณหามันทำให้เกิดอุปาทานอุปาทานคือความยึดมั่นถือมัน่นตัณหาคือตัวอยากอยากทางตาอยากทางหูอยากทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตัวอยากพอเกิดตัวอยากนั้นขึ้นมาคือตัวตัณหา แล้วก็เกิดยึดมั่นถือมันอุปาทานอุปาทานแล้วก็ตั้งคันพบจากพบหรือคลอดออกมาเป็นชาติพอเป็นชาติแล้วก็ทุกเป็นชาติแล้วก็ทุกตั้งคันทางตากทุกไปทุกที่ใจตั้งตั้งคันทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเองมันก็ไปทุกทางใจหมด แกมันไม่มีอะไรนอกจากทุกท่างนั้นทุกท่างนั้นไม่มีอะไรเลยทีนี้เหมือนกับว่าเรากวาดขยะหลวงพ่อก็ให้กวาดขยะกันเอากวาดขยะเอาขยะไอ้ที่ชิ้นโตโตหรือกิ่งไม้อะไรออกไปก่อนถ้าต่อไปใบมันร่วงลงมานั้นเราก็กวาดใบมันออกไปเอากวาดใบ อ, ออกไปกวาดเศษเศษออกไป ออกไปเศษเออกไป ก, กวาดไอกี้คุณออกไปออกไปออกไปออกไปออกไปไม่มีอะไรดิไม่มีอะไรเหลือทตนี้เรากวาดเราก็กวาดภายในเราทําความสะอาดกวาดทั้งภายนอกกวาดทั้งภายในอ่าภายในก็จิตของเราภายในจิตของเรา อกวาดทางต า, ากวาดทางอูทางจมูกลิ้นกายใจกวาดกวาดความยึดมั่นถือมัน่นกิเลสตัวโตโตนะทาความรู้จักกับมันแล้วก็ได้กวาดมันง่ายๆ่ายถ้าเราไม่รู้จักเราก็กวาดไม่ได้ ร, รู้ใจ ก, กิ่งโตโตนะโลปะโตสาโมหะนั่นกิ่งโตโต ออกไปมันก็เป็นย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยออกไปเป็นขุนเป็นละเอียดมันละเอียดกวาดออกไปกวาดจนถึงจิตแต่ละจิตนั้นก็เว้นไว้ไม่ได้ต้องกวาดหมดจิตนั่นก็ต้องกวาดด้วยนี่เราต้องกวาดกวาดกวาดกวาดกวาดพอกวาดหมดแล้วมันเหลืออะไรมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเพราะทุกอย่างมันว่าง ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นทำความเข้าใจกันว่าไม่ใช่ว่างไม่มีว่างที่จิตนะไม่ยึดมั่นถือมันไม่ยึดมั่นถือมันกายไม่ยึดมั่นถือมันจิตเองไม่ยึดมั่นถือมันตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจทำหน้าที่เราปฏิบัติทำให้เกิดปัญญา ว่าทำหน้าที่เสร็แล้วตาที่เห็นเห็นตลอดสายแล้วไม่เข้าไปยึดมั่นถือมันกวาดทิ้งไปหมดเคยต้องกวาดทิ้งไปหมดเมื่กวาดทิ้งไปหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือจิตเองก็ไม่เหลือจิตเองก็กวาดทิ้งเพราะจิตเองก็ไม่ใช่ของจริงมันเกิดดับเกิดดับก็ ด, ดับ แล้วมันก็ว่างจากตัวตนมันไม่ใช่ของจริงนี่มีอยู่ครั้งหนึ่งตลวงพ่อไปไปประเทศพมา่าไปประเทศพมา่าไปนอนอยู่ที่กรุงเทพไปนอนรอยอยู่คืนหนึ่งเราต้องไปเช้ามืดคื น, นั้นก็เลยนิมิตเห็นเลยนิมิตเห็นว่าอยู่ในเรือนหลังหนึ่ง แต่แล้วลมพัดกระจัดกระจายไปหมดเรือนหลังนั้นโอ้ตายอยู่ที่ไหนทีเนี้ยนายก่อนว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วโยมแม่จะอยู่กันที่ไหนอย่างเนี้ก็เลยอยู่ทักพักหนึ่งพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธตาสมาสร้างบ้านให้ใหม่สร้างบ้านให้ใหม่โอ้ได้บ้านใหม่แล้ว ได้บ้านใหม่แล้วอันนี้ก็คือบ้านเก่ากคือบ้านโง่บ้านใหม่เมื่อเราปฏิบัติตามที่ท่านอาจารย์พุทธตาท่านสอนเราก็ได้บ้านหลังใหม่ด้านหลังใหม่บ้านหลังใหม่ก็คือจิตที่ประกอบด้วยสติปัญญาแล้วเราก็ใช้จิตที่มีสติปัญญานั่นแหละ ทำให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตาทำหน้าที่จบไม่ยึดมัน่นที่มันรูปที่ตาเห็นจบจะ ก, กูวิญญาณที่เกิดทางตาเนี่ยคือตัวความรู้สึกถอนความรู้สึกนั้นออกไปเสียไว้ความรู้สึกนั้นไม่ตะกูว่างเกิดดับว่างนั่นความรู้สึก แกนั้นในถ้าเราปฏิบัติง่ายๆเราปฏิบัติว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูคืออะไรไม่ใช่กูคือความรู้สึกนั่นแหละไม่ใช่กูอย่าไปเอาความรู้สึกนั้นมาเป็นตัวกูความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าความรู้สึกนั้นเป็นกู ตัณหามาแล้วตัณหามาแล้วมันยากมันยากความรู้สึกเป็นกูมันก็ยากแล้วตอนนี้เนี่ยหลวงพ่อก็ติดตามนังเือปิ่มอยู่ทุกวันพระมีปัญหาเพราะความรู้สึกต้องการที่จะได้ยศต้องการที่จะได้ลาบ อยากจะเป็นเจ้าคุณอยากจะเป็นสมเด็จพระสังฆราชจนทะเลาะวิวาทกันไม่รู้จะ ก, กวงฝ่ายไหนยแล้วถ้าพระพุทธเจ้ายัางอยู่พระองคง์คงหนีข้าป่าแล้วหละพระพุทธเจ้าไม่อยากยุ่งคุณทะเลาะกันให้พอนั่นพระพุทธเจ้าเอาอย่างนั้นแน่เลยคุณทะเลาะกันให้พอมันเรื่องอะไรหลังลาบ ลาบลาบจาัการะเงินทองนี่แหละเรื่องยศเรื่องสันเหล็สื่ญเรื่องความสุขทางเนื้อทางหนังเนี่ยที่ทะเลาะกันที่เขาทะเลาะกันนั่นเรื่องลาบเรื่องยศสันเสื่ญสุกนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยินดียนร้ายกับสิ่งเหล่านั้น แล้วเราถามตัวเองว่าแม้แต่โยมจีหรือหลวงพ่ อ, พอนี่แหละเราบวชเข้ามาทมําไมบวชเข้ามาเพื่อลารวยเนอะได้ลาบก็เพื่อลารวยได้ยศก็เพื่อให้เขาสฉลิเสริญบูชาแล้วนําลาบมาให้แล้วก็จะได้เรลิเสริญแล้วก็มีความทุกขทางเนื้อทางหนังสะดวกสบายนี่ หลวงพ่อจึงพูดเมื่อวานซื่อนะว่าเราจะทําอะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นคิดถึงพระพุทธเจ้าให้มากๆคิดถึงพระพุทธเจ้าอมากๆแม้แต่น้ําตําเท้าก็คิดถึงพระพุทธเจ้าวันนี้ไม่มีใครใสีบาดก็คิดถึงพระพุทธเจ้าอา้าวหมู่บ้านหนึ่งจัทตาพระพุทธเจ้าผู้ชายมันบวชกันหมด เหลือแต่ผู้หญิงพอพระพุทธเจ้าไปบินบาตก็ด่าด่าด่ า, า, าดาพระพุทธเจ้าด่าพระพุทธเจ้าว่าผู้ชายบวชกันหมดแล้วไอ้ลาไอ้โง่ไอ้หัวไอ้ควายไอ้เหี้ยมันด่าพระพุทธเจ้าพระอานุนทนไม่ไหวแล้วไปเมืองอื่นเถอะพระเจ้าค่ะอย่าอยู่เลยเมืองนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอ น, นุ์ ถ้าเราไปเมืองอื่นก็ด่าอีกถ้าไปเมืองไหนอีกไปเมืองนั้นก็ด่าอีกจะไปเมืองไหนอีกเพราะฉะนั้นเหตุเกิดที่ตรงไหนก็ดับที่ตรงนั้นดับที่ตรงนั้นไอ้เรื่องนั้นมันดับก่อนจะไปไหนก็ไปนี่จะอยู่ก็อยู่จะไปก็ไปให้เรื่องนั้นมันดับก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าก็มีหูเหมือนกับพวกเรานั่ยแหละ ความรู้สึกเหมือนกับเรานั่นแหละแต่ว่าพระองค์มีญาณคือตัวปัญญาตัวปัญญานั้นนอกจาการู้ร่วงหน้ารู้ไปในปัจจุบันรู้อนาคตรู้อนาคตว่าจะทำอย่างไงจะตัดสินอย่างไงจะอะไรยังไงฉะนั้นถ้า ผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้เหล่านั้นด่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เอามาทุกมาทุกมาทุกมาทุกก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าดิแต่อย่างนั้นแต่พระองค์มีญาณมีปัญญามีญาณมีปัญญาความรู้สึกนั้นไม่ใช่กูความรู้สึกที่มันเกิดดับมันว่างจากตัวตนก็พระองค์เห็นอย่างนั้น ความรู้เสกที่เสียงมากระตบหูเสียงยกย่องสรรเสริญนิ น, นทาว่าร้ายพระองค์ก็ไม่เอามาหมุนไม่เอามาให้มันท้องขึ้นมาแลว้วก็คลอดออกมาท้องขึ้นมาแลว้วก็คลอดก็ตายตายอย่างนี้ไม่ใจพระพุทธเจ้าแล้วตายอย่างนั้นเนี่ยก็ว่างเพียคือว่าง เอาสติปัญญาเนี่ยตัวญาณนั่นญาณคือสติปัญญาตัวนั้นเนี่ยรับรับแล้วก็มีความรู้สึกแล้วก็ปล่อยปล่อยความรู้สึกตัวนั้นความรู้สึกที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นความรู้สึกที่ยึดมั่นถือมันคือความรู้สึกโง่ความรู้สึกที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นคือความรู้สึกที่ฉลาดที่ฉลาด ก็ไม่ทุกไม่ทุกความรู้สึกที่ยึดมั่นถือมันน่นคือทุกไม่ว่าในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่มาสัมผัสทางกายหรือในทางจิตใจนั่นคือความรู้สึกความรู้สึกที่เข้าไปยึดมั่นถือมันแค่นั้นมันมีอย่างเดียวเนี่ยยึดมั่นถือมันกับไม่ยึดมั่นถือมัน ทีนี้เราจะเอาอันหน่อยนี่สรุปอยู่ที่ความรู้สึกความรู้สึกตัวเดียวความรู้สึกตัวเดียวนี่ความรู้สึกตัวนั้นจะดําก็ได้จะขาวก็ได้แต่ความรู้สึกขาวคือความรู้สึกที่ไม่ยึดมัน่นถือมัน่นความรู้สึกที่ประกอบด้วยสติปัญญาถ้าความรู้สึกนั้นดํา เป็นความรู้สึกียึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ที่ความรู้สึกตัวเดียวถ้าเราจัดให้มากไปกว่านั้นมันจะเบลอเราไปสังเกตว่าไอ้ความรู้สึกนี้คืออะไรนั่นนี่คือวิญญาณแล้วจิ ต, ตวิญญาณแล้วทีนี้พระองค์ควบคุมจิตวิญญาณตัวนี้นั่นนจนจิตวิญญาณตัวนี้เป็นตัวยานตัวยานคือตัวรู้ คือตัวรู้ตัวรู้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยไม่ใช่รู้แล้วก็เก็บรู้แล้วก็เก็บรู้แล้วก็เก็บรู้ก็เก็บมันก็หนักด้ิรู้เก็บมันหนักมันหนักแต่ถ้ารู้ปล่อยมันไม่หนักมันไม่หนักไม่หนักก็คือไม่ทุกนั่นเองถ้รู้ปล่อยเบาถ้ารู้เก็บหนัก เห็นไหมเราจะมีเงินมีทองให้เต็มหับเต็มห้องก็ได้แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเบาเบาแต่รูโอ้ยเงินของกูทองของกูนอนท้องเงินของกูทองของกูอย่างนี้นี่มันก็หนักกันทีนี้หนักที่ไหนหนักที่ตัวความรู้สึกตัวนั้นนี่เจ่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือตรัสรู้เรื่องนี้ กเดกกาวจัติสังสารังจันตาวิสังอันิีพิสังกาการังกเวันโตทุก้าจัติพุณาพุนันง ก, ะกะากรกาติตโตสีพุณเกหังนักาหาสีนี่แน่นายช่างเมื่อเรายังไม่พบญาณในเล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเรียก ว, วัดตะสงสารได้เล่นท่องเที่ยวไปในวัดตะสงสาร ไ, ไม่ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติ ม, ม, ม, ม, มาอะไขึ้นมาได้เล่นต้องเที่ยวไปในสงสารสังสา ร, รวัฏนั่นเลยไม่รู้กี่รยชาติกี่ปัญชาติจนนับไม่ท้วน นี้ประโยคต่อไปเหว่ากาการังกเวสันโตทุกขาจาติปุนปุนังเทวหาอยู่ซึ่งนายช่างผูกเรือนซึ่งตันหาผู้ช่างพบไอตัวตันหาเนี่ยมันก็เรื่องตัวตันหาเนี่ยมันก่อเรื่อง ต, ตันหาผู้ช่างพบการเกิดทุกข์กาวเป็นทุกข์ร่ําไปเหมือนก็มันสร้างเรือนอย่างนั้นเลยสร้างแล้วก็ลื้อสร้างเลยก็ลือ้อสร้างเลยก็ลื้ นั่นคือตัวตัณหาตัณหาแล้วก็อุปาทานยึดมั่นถือมั่นพอมันอยากก็อยากแล้วก็สร้างขึ้นมาอยากแล้วก็สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาทุกทีหนึ่งสร้างขึ้นมาก็ทุกทีหนึ่งตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นแล้วก็พบอันนี้ต้องไปดูในปฏิจจ ata มุปาบาทดันถ้าใคร จนใจในเรื่องของปฏิจจารบุปาบาทไงปฏิจจาวาทมั น, น ม, มีทั้งสิบออาการมีทั้งอวิชชาทันหนาวปาทานพบชาติมันครึ่งโทษก็ได้อะไรอก็ได้ได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นแต่ว่าไอ้เรื่องตันหาอุปาทานจะเข้าไปเกี่ยวโยงเรื่อยเลยตันหนาวปาทานเราะันหาผู้ตรังพบกันเกิดทุกคราวเป็นทุกขลั่มไป ตัณหาอุปาทานก็พบตัณหาปาทานก็พบพอพบแล้วก็ครอดก็คลอดออกมาครอดอม อ, ดอมาเป็นเรื่องเป็นราวนั่นเนี่ยที่มันสร้างสร้างความทุกข์ขึ้นมานะเนให้เรารู้ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสในสมัยโน้นสองพันกว่าปีแต่เราต้องสะกดกันเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไป จะกดความรู้สึกในจิตของเราเนี่ยแหละจะกดความรู ión, land, ้สึกแล้วออกมาต่างตาทางหูต่างจมูกเลนกายใจแคนความหมายอย่างนี้ความหมายอย่างนี้ความหมายอย่างนี้เนี่ยความหมายก็อยู่ที่ทุกตัวเดียวพอลงเอยแล้วก็ทุกลงเอยแล้วก็ทุกไปลงเอยที่ตรงนั้นทางนั้นแต่นั้นคนจึงมีแต่ความทุกข์เขตัวตัณหานี้เมื่อเมื่อไรมีตัณหาเมื่อนั้นก็ ธนามันก็สร้างสร้างภบสร้างชาติขึ้นมาสร้างชาติคือมันคลอดมันสร้างเรื่องขึ้นมา น, นะธนามันสร้างเรื่องเพาสร้างเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งอ้าวเราก็กล้าไปยึดมั่นเดี๋มันสร้างเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งเราก็กล้าไปยึดมันดน่นเดี๋มันทีนี้ก็ทุกคนถ้าไม่ปฏิบัติธรรมมันก็จมอยู่ในทะเลแห่งวัฏฏสงสาร คือทะเลแห่งความทุกข์เนี่ยมันจมในทะเลแห่งความทุกข์นี่ให้ไปสวดตอนที่ทํำวัดเย็นน่ยไปสวดบทนี้แล้วก็ไปนั่งธรมาที่พิจารณาดูดิพิจารณาดูพิจารณาดูอะไรคือตัณหาคือตัวอยากเนี่ยอะไรคือตัวอุปาทานอยากเพราะมันยึดมั่นถือมัน พอยุดมันถึงมันมันก็อยากพออยากเลยมันตั้งครันตั้งคันเนี่ยก็คลอดเป็นชาติแล้วออกมาเป็นทุกเดี๋ยวก็ตั้งคันเดี๋ยวก็คลอดเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ตั้งคันเดี๋ยวก็คลอดเดี๋ยวก็ทุกแล้วมันเสพกันทางไหนตาเสพรูปหูเสียงจก้วกลิ้นลิ้มรถกายสัมผัสจิตอารมณ์ นามันเสพพอได้สองเรื่องแล้วพอได้สองเรื่องคือตารูปแล้วเกิดความรู้สึกเราต้องสกัดจริงสกัดที่ตัวความรู้สึกตัวนั้นเพรเราจะกัดตัวความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยเราไม่เอาเว้อย อ, อย่างนี้ไม่เอาสลัดทิ้งอย่างนี้ไม่เอาสลัดทิ้งนั่นคือปัญญาเพราะทิ้งแล้วมันก็จบ มันก็จบทีนี้ถ้าเราปัญญาเราไม่พอก็ดั้จริ้งไม่ได้มันก็ไปตั้งครันอกีกตั้งคันอกีกก็กรอดเป็นชาติอีกเป็นทุกข์อีกนี่เนี่ยที่เราต้องสกัดความทุกข์เนี่ยต้องเอาที่ตรงนั้นพราติตัวความรู้สึกทีนี้มันไม่รู้สึกไม่รู้สึกจนน้ําตาไหลเป็นแก้วแก้วแล้ว จะฆ่าตัวตายแล้วมันก็ยังไม่รู้สึกเราไม่สนใจในการปฏิบัตินี่ก็ทําให้มันหนักความทุกข์มันก็หนักมันอยู่ที่จิตนี่จิตมันก็รับเพราะว่ามันโง่มันโง่มันก็รับรับกรรมไปแต่ก็ทนทรมานทนทรมานทนทรมาน ทกเรื่องตัวเองเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องลูกก็เรื่องยึดมั่นถือมันทั้งหมดเนี่ยเรื่องยึดมั่นถือมันทังนั้นไม่มีเรื่องอื่นทุกเรื่องยึดมั่นถือมันแค่แต่เราทํางานนี่กวาดกระยาก็ดีตกแต่งต้นไม้ก็ดีเออกูกระบวดเนี่ยมาทําแก่นี้เอรออ้าวมันโง่แล้วได้อย่างนั้น นั <unlucky>. <S <S ่นก็ตัดออกไปที่ตัดออกไปตัดความยึดมั่นถือมั่นออกไปกวาดความยึดมั่นถือมั่นออกไปความยึดมั่นถือมั่นที่มันใหญ่โตมันเล็กลงเล็กลงเล็กลงตอนั้นมันเล็กลงเล็กลงเล็กลงอะไรมันก็หมดแล้วมันก็จบนั่นเน่ยเพราะมันมีกูมีตัวความยึดมั่นถือมันเน้นไหมฉะนั้นหลวงพ่อจึงขอเตือนว่าทํางานทุกอย่าง ให้เป็นการปฏิบัติธรรมให้หมดไม่ใช่ไปนั่งสมาธิอย่างเดียวเดินจงกรมอย่างเดียวนั่นก็ในระยะหนึ่งแต่ในระยะในชีวิตประจำวันของเราเราต้องทำงานแม้แต่เราจะชักผ้าทำงานทวนตัวทำงานทวนรวมเป็นการปฏิบัติธรรมหมดแล้วคุณออกไปไปทำงานเดิมกคุณมไปจารจดูโอ้ ที่เราบวชมาสามเดือนนี่ถ้าเรามาทํางานแล้วจิตใจนี้กับเมื่อก่อนแตกต่างกันไหมดูเดีวมันแตกต่างกันไหมนี่ต่อไปคุณไปสังเกตกันว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราไม่เริ่มต้นไปจากนี้มันยิ่งหนักเก็ไปอย่าบวชเลยถ้ายิ่งบวชจะยิ่งหนักอย่างนั้นอย่าบวชเลยมันไม่ได้ผล ที่นี่ไม่ใช่บวชออกไปแล้วอศึกออกไปแล้วทำไม่ได้คุณไปทำงานเหมือนเดิมแต่ว่าจิตไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะไม่ยึดมั่นถือมัน่นความรู้สึกไม่ยึดมั่นถือมัน่นไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกมีความรู้สึกแต่ความรู้สึกนั้นประกอบด้วยปัญญาแล้วไม่เอาสลัดติ้งไม่เอาแต่ลดความรู้สึกทางเสียง มันก็ตบก็แทกทางตาแสดงอาการไม่ให้เราพอใจอะไรอย่างพอใจเราก็ไม่เอาไม่พอใจเราก็ไม่เอาเราทุกข์ทางนั้นมันทุกข์ทางนั้นนี่นี่ไอความพอใจไม่พอใจมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาเปลี่ยนอย่างนั้นนี่แท น, นไปในทางที่ดีไปท่องให้จําเลยครูบาสิทธิ์เนี่ยไปท่องให้จําเลย มันในกจสังสารังชนาวิทสังนิพิจังกาังกเวสันโตทุกัจจ ati ปุนาปุณังการังกัติโตสิปุนาเกหังนกาหาสจัพปะเตปุกะปะกากูตังวิสังกตังวิสังขารังตังจิตตังตนานังกายมัจจาคาจุดท้ายก็คือจิตของเรา ถึงแล้วถึงสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปนั่นนะดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาจิตนี่ไม่ถูกตาสีแต้มสีนะมาตาสีอะไรก็ไม่ยินดียินร้ายมาตาสีดำฉันก็ไม่หวาอะไรตาสีแดงฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่มันจะตาสีอะไรก็จังหัวมันเราไม่เอาเนี่ยจิตนี่จะไม่เอาทางนั้น สละติ้งไปหมดสละดิ้งไปหมดเนี่ยนั่นแหละคือพระนิพพานอยู่ที่จิตไม่ก้าวไปยินดีไม่ข้าไปยินร้ายในสิ่งตั้งปวงนั่นแหละคือจิตว่างอยู่ที่ตรงนั้นอ๋จบท่านี้วันนี้